สภาน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นเจริญก้าวไกลชาติเป็นเรื่องให้ประเทืองและงามมิเลยอาณาไม้พระปานางไปขอตั้งใจอาตาเสบาน่วยรับงานมากมายหลายด่านเจ็บหรือตายหุนไหวยายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเฝ้าทำการที่ทางานพร้อมไปทุกระเพื่อนครนิวัฒพนาเป็นคน ไไเทศบานคือบันไดของการปกครองตามคลองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยเพืพ่อป้กันผลลม้างให้จำปังใจด้วยการรับใช้กันไปเหนื่อยแคไหนไม่สั่งัญมีผู้แทนเขตของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทั้งท่านสุขสันต์ทั่วกันเทศบานก็คือเราไม่ช่วยสัมพันธ์ สถานคอยรวมมือ บาลโดยรับงานปกครองท้องถินเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถินเจริญก้าใครชาวยเรื่องให้ประเทืองและงามไม่เลยอาณาไมายพระปาน้ำไปขอตั้งใจอาสาเทศบาลด้วยรับงานมากมายหลายนานเจ็บหรือตายหุ่นว้ ย, ย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเป่าธรรานที่ทำ ง, งานพร้องไปทุกเวาเพื่อนครนิวัฒ น, นาเป็นคน เทศบาลคือบันไดของการปกครองตามลองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยเพื่อปลเมืให้จปัใจด้วยการรับใช้กันไปน่ไหนไม่สคัญมีผู้แทนเขตของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทั้งท่นอิสทั่วการเทศบาลเราี่ช่วยัพัน ่งประเทศศิลาอาดที่ลังกาด ร, รถดีเมืองพระศรีพนมบาทแหล่งไม่กว่าตองโกงโดยหอมแดงเรื่องชื่อนําระเบือตำนานเมืองแม่ไม้วิสัยทัศน์ของเทศบาล ศีพนธมรากือศูนย์กลางแห่งอารยธรรมแหล่งการเรียนรู้และความบุดมสมบูรณ์ของเมืองละแปลที่ไม่มีวันสิ้นสูญสลายสวัสดีครับคุณฝุ่างกรับพบ ก, กับรายการเสียงตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตะบนศีพนธมาติเมืองละแปครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่17กันยายนพุทธศักราช2565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 d h a t l i e Don't e a o u Don't l l me. e n o e t t e e e สวัสดีครับคุณฟังสวัสดีวันเสาร์ครับวันนี้เป็นไงกันบ้างแดดค่อนข้างแรงนะคุณนุ่งฟังเหมือนกับชดเชยที่ผ่านมาครับแต่ก็ยังมีครึ้มค้มแอบครึ้มๆมาหน่อยคุณนุ่งฟังตอนนี้ก็ครึ้มๆมแบบนี้แก่อนค่อนข้างหน้าหวั่นครับลมเริ่มมาแล้วคุณนุ่ฟังอืมก็ต้องระมัดระวังครับแล้วก็สำรวจครับ ว่าจะไปไหนเดินทางไปไหนฝนฟ้าเป็นอย่างไรคุณรู้ฟังเป็นห่วงครับในเรื่องของการเดินทางทุกครั้งที่ฝนตกนะครับแล้วก็มีนั่นแหละครับงานสารกลางแบบนี้ด้วยค่อนข้างอันตรายครับสําหรับคนสัญจรไปมานะครับรถเยอะคุณรู้ฟังยิ่งงานกลางคืนมีฝนฟ้าตอนกลางคืนวิสัยทัศน์ก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังดีที่ว่าบางจุด ก็มีไฟถนนที่ค่อนข้างสว่างขึ้นมีการติดตั้งเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ตลอดทั้งสายคุณรู้ฟังฉะนั้นก็ต้องไฟหน้ารถตัวเองแล้วครับที่ช่วยท่านเบรกยางทุกอย่างประกอบกันหมดรวมถึงที่สําคัญน้ําใจบนท้องถนนครับควรมีครับไม่ใช่ว่าจะนึกปาดก็ปาดนึกจะเลี้ยวก็เลี้ย ว, ยวให้สัญญาณไฟเลี้ยวแต่ไกลนะครับ ไม่ใช่อยู่อ ย, อยากเบรกก็เบรกอ ย, อยู่จะเลี้ยวก็เลี้ยวคันหลังที่ตามมาอันตรายนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นมามันหลายอย่างคุณฟังเสียทั้งทรัพย์สินบาดเจ็บด้วยอะไรหลายอย่างเสียเวลาไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นกับใครใดทั้งสิ้นครับก็ขอฝากไว้ด้วยในะเรื่องของน้ำใจบนท้องถนนควรมีกันเยอะๆครับ คนมีกันเยอะๆคุณรู้ฝั่งในส่วนของการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนเมื่อเช้าเห็นมีข่าวที่ว่าจะเปิดให้อุทธร์สำหรับคนละครึ่งคนที่ลืมลืมใช้สิทธิ์ต้องรอฟังครับว่าเขาจะมี ประกาศมาแบบไหนนะครับก็น่าเสียดายเพราะบางคนก็ลืมจริงๆบางคนลืมจริงๆลืมใช้สิทธิพอม่อีกทีอา้าวหมดเขตไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวรอนะครับถ้ามีประกาศเมื่อไหร่จากทางรัฐบาลเดี๋ยวจะประกาศออกเสียงตำสายให้ได้ทราบครับก็จะได้อุทธร์จะได้ใช้สิทธิของคนละครึ่งแต่ก็ต้องดูว่าเงินจะได้มาอุดหนุนมาแป0 หรือว่าอาจจะลดหลั่นลงกว่านั้นต้องรอฟังนโยบายรอฟังเงื่อนไขาจากทางรัฐบาลอย่างเดียวนะครับ ไมคุณและคุณและคุณน่ารักกันกับใครผมอยู่คนเดียวมากนหลายปีจะถ้ามีคุณมาอยู่ด้วยกันก็ดีผมคิดว่ามันจะยิ่งดีถ้าเรารู้จักกันมากกว่านี้มีแน้ ไม่ ผมเต้นแรงไม่หยุดแต่แค่เดินผ่านมาผมจ้องจนตาจะหลุดยิ้มหวาเหลือเกินเล่นรับผมเคินแับหมด ไม่อยู่บนโลกมนุษย์เราละสหกว่าคุณไม่มีใครจองไว้แล้วมาคุยกันมาดิคุกล้าลองไหมเพราะว่าคุณต้องตาและไม่ว่าตอนไหนคุณก็ดูเ จ, จิดจประแสวเวอร์เอยอ้ uh uh. มีอะไรจะหามาให้เลย if you want คุยก่อนไหมแล้วเราใครครบ่อตอนคุณพร้อมผมอยู่คนเดียวมากันหลายปีแต่ถ้ามีคุณไม่อยู่ด้วยกัน อ, อยนนอย่ดนผมคิดว่ามันจะยังดีถ้าเรารู้จักกันมากกว่านี้ Jack means b a love. Nice. สาระน่ารู้วันนี้คุณผู้ฟังผมหยิบเอาเรื่องนี้ละกันครับเรื่องของอาหารที่คนนอนดึกควรกินครับถ้าไม่อยา ก, กร่างพังครับแบบบางทีก็มีเหตุละครับให้นอนดึกดึกเดินๆยิ่งบางช่วงดูบงดูบอด น, นี่ก็ค่อนข้างดึกแล้วคุณผู้ฟังก็ควรเลือกครับที่จะหาอาหารนะครับมาช่วยครับเป็นตัวช่วยอย่างหนึง่งทําให้ร่างกายได้ พักฟื้นทำให้สุขภาพได้มีการบำรุงมีอะไรบ้างคุณผู้ฟังอันดับแรกน้ำเปล่าครับน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายโดยเฉพาะการทำงานของสมองดังนั้นหากต้องนอนดึกก็ควรดื่มน้ำให้ได้ 1.5 ถึง2ลิตรต่อวันครับเพื่อป้องกันอากาศร้อนอาการร้อนในและควรดื่มน้าแบบจิบบ่อยๆแทนการดื่มรวดเดียวเยอะๆ อาหารโปรโตีนสูงๆูงครับการเลือกกินอาหารที่มีโปรโตีนสูงเช่นโยเกิรต์ตถั่วอบแห้งไม่เติมเกลือเพื่อให้โปรโตีนช่วยเติมพลังงานแก่ร่างกายลดความรู้สึกอ่อนเพลียระหว่างคืนไดอ้อันนี้ก็คงจะนึกออกแล้วนะครับว่าเวลาที่เรากินประเภทซุปไก่สกัดปุ๊บแล้วอ่าเหมือนกับว่ามันดีขึ้นไม่ค่อยเพลียก็เพราะว่าเป็นอาหารที่มี โปรตีนสูงนั่นเองสำหรับซุปไก่สกัดนะครับผักผลไม้ครับเน้นกินผักผลไม้เช่นฝรั่งส้มโอแอปเปิลชมพู่เพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ที่ช่วยบำ ร, รุงร่างกายและการกินผักผลไม้ยังช่วยให้ความสดชื่นที่สำคัญไม่ทำให้อ้ว น, นครับหากนอนดึกจนมีอาการท้องผูกระวังคืนอาจรับประทานผลไม้แก้ท้องผูกอย่างกล้วย ลูกพรุนสับ ป, ปะรดแอปเปิลเขียวกีวีช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยก็ได้ครับน้ำผลไม้ั้นสดครับการอดนอนอาจทำให้รู้สึกเพลียได้ง่ายดังนั้นควรจะเติมน้ำตาลให้เลือดสักหน่อยครับโดยเลือกดื่มน้าผลไม้ั้นสดไม่เติมน้ำตาลเพื่อชวะให้รู้สึกกระปรี้กระเปื่าได้ทันทีอีกทั้งการดื่มน้ำผลไม้ั้นสดสดยังเป็นการเติมวิตามินที่ร่างกายควรได้รับอีกทางหนึ่งด้วย โจ๊กหรือน้ำเต้าหู้ครับหากรู้สึกหิวตอนดึกควรเลือกรับประทานอาหารย่อยง่ายที่ไม่ให้พลังงานสูงเท่าไหร่แต่ให้ความสดชื่นแก่ร่างกายเช่นโจ๊กข้าวกล้องโจ๊กไก่หรือน้ำเต้าหู้ใส่เครื่องไม่หวานซึ่งก็จะได้ทั้งโปรโตีนและสารอาหารจากธัญพืชอย่างข้าวกล้องลูกเดือยเม็ดแมงลักแปะกล้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายและการทํางานของสมองเน้นเน้นอาหารบํารุงสมองครับ เลือกกินอาหารบํารุงสมองเช่นถั่วเหลืองไข่แดงเต้าหู้เนื้อปลาอกไก่หรือพวกธัญพืชแห้งที่ไม่เติมเกลือเพราะอาหารเหล่านี้ช่วยบํารุงการทํางานของสมองให้ตื่นตัวและช่วยสร้างเคมีสมองที่จําเป็นต่อการทํางานของคนนอนดึกด้วยวิตามิน B ครับควรรับประทานอาหารที่มีวิตามิน B สูงจำพวกข้าวกล้องผักผลไม้สดหรืออาจเลือกกินวิตามิน B รวม วันละหนเม็ดเพื่อเป็นการชดเชยวิตามินที่ร่างกายสูญเสียไปเพราะพักผ่อนไม่เต็มที่และวิตามิน B ก็มีส่วนช่วยลดความตึงเครียดของสมองด้วยครับวิตามิน C ีครับวิตามิน C ก็มีสํามีส่วนสําคัญต่อร่างกายนะครับของคนนอนดึกนี่ค่อนข้างดีด้วยเพราะวิตามิน C จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้เราไม่ป่วยได้ง่ายๆดังนั้นควรกินวิตามิน C ให้ได้วันละพันมิลลิกรัม ซึ่งจะเลือกกินวิตามินซีชนิดสำเร็จรูปหรือกินวิตามินซีจากผลไม้ก็ได้เช่นกันหรือกาแฟครับหากรู้ตัวว่าต้องอยู่ต่อจนดึกไม่ได้นอนตามเวลาปกติควรดื่มกาแฟในตอนกลางวันประมาณ 1-2 แก้วเพื่อให้คาเฟอีนช่วยกระตุ้นความตื่นตัวในตอนกลางคืนแต่ไม่ควรดื่มกาแฟระหว่างที่อยู่ดึกเด็ดขาดครับเพราะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน อาจทำให้หัวใจทำงานหนักเกิดความรู้สึกกระสับกระส่ายถึงเวลาที่ต้องนอนอาจจะนอนไม่หลับก็ได้ก็เป็นเรื่องราวครับของอาหารนะครับที่มีส่วนช่วยครับสำหรับคนนอนดึกนะครับก็ให้ร่างกายได้บำรุงจากสารอาหารต่างๆที่บอกไปครับก็เป็นสาระน่ารู้ที่ยิมมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ เพลงเด o มเดิมคเป็นของเราเธอยังร้องยังฟังอยู่ไหมไม่รู้ว่าความรู้สึกในตอนที่มันดดเธอยังเงายมืนวันเาาอยู่ไหมไม่รู้ว่าบาที่เธอได้คมองมาจะเปลี่ยนไปสัก นอกจากชื่อฉันมีสิ่งลเนิกไหมที่เธอยังใส่ไทยและพอจำมันได้ Like my own, still drunk, still drunk, still drunk, still drunk, still d r u เจ็บเพราะรักเขาเรื่อยมามันคงอ่อนลาจนเธอแทบจะล้มลงผู้ก็รู้ว่าเธอคงให้เขาทั้งใจไม่ว่าไรก็เต็มใจให้เขาทงฉันก็ทำได้เพียงแค่เตือนยากใน เดือดช้ำแค่ไหนก็มีสิทธิทำได้แค่มองแต่เธอยังรออยู่เรื่อยมาฉันอยู่เรื่อยมากับโลกที่เขาให้เธอแค่ลมตา ก, กือบฉันที่เห็นจะมีค่รารักจะมากว่ากลับทำเมื่อไรให้เธอไม่ทัน I'm here to take a b r n a t h Or o o m i g d I go t o ใครไหนที่มาตามเดิมที่หายไปจำกความความโหดร้ายแต่มีมือมาตึงชูร่ว้และมันก็ไม่ใช่ใครคิดถึง แค่เธอสุดคำให้ฉันเลนอย่าไขใจต่อไปคิดเธอใช่ไหมที่มาตามตามสิหายไปแต่ความความหมด m ปก็มีมือมาดึงฉันไว้และมันก็ไม่ Just y o อย่า ล, ลืมนะครับสำหรับท่านที่จะลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสิการแห่งรัฐนะครับกันยายนครับท่านที่อยู่ชุมชนฟักถ้าหัร้องป่ายางครับไปลงทะเบียนได้ที่ทำการชุมชนยางกระไดเหนือ21กันยายนท่านที่อยู่ชุมชนคอกช้างชุมชนตลาดรับแรลครับไปลงทะเบียนที่ทำการชุมชนคอกช้าง22กันยายนท่านที่อยู่ชุมชนยางกระไดใต้ ชุมชนบ้านหนองไปลงทะเบียนที่ทำการชุมชนยางกระไดใต้และวันที่23กันยายนครับท่านที่อยู่ชุมชนยางกระไดเหนือและทุกชุมชนนะครับที่อาจจะติดขัดเรื่องของเอกสารหรือว่าไม่พร้อมในวันของตัวเองครับก็มาลงไดอีกครั้งในวันที่23กันยายนที่ทำการชุมชนยางกระไดเหนือนะครับทุกวันเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่9โงเช้า ถึง4ี่โมงเย็นนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นในส่วนของเอกสารครับไปรับได้ที่ประธานชุมชนทั้ง6ชุมชนนะครับก็ไปกรอกให้ครบให้ถูกต้องพอถึงวันปุ๊บก็จะได้ยื่นก็จะได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหรืออาจจะมีการแก้ไขก็แก้ไม่เยอะครับดีกว่าได้วันนั้นแล้วมานั่งเขียนนะครับเกาะประหยัดเวลาไปเยอะครับเกาะตามวันเวลา สถานที่ที่แจ้งไปนะครับ เธ Oh baby you s t n e d to know Even I'm n o ้ sure. ผมแค่ลงรักคุณไม่เคยเป็นเมา ก, ก่อนทุกใจเธอคนนี้นะดู oh baby all you แค่ได้มองก็ทำให้ใจผมละลาย <All right. S 1> ฉันรักมาชอบนับคุณนะ <All right. S 1> ส่วนผมนะชอบคุณรักเธอว่าผมแค่ลงรักคุณ <All right. S 1> ไม่เคยเป็นเมา ก, ก่อน <All right. S 1> ทุกใจเธอันนี้นะดู 彩虹的啦 คุณผู้ังครับหมดเวลาของรายการสิ่งตามสายงานประชาสำคัญของทางเทศบาลตำบลสีพฤณมัติเมืองละแปล่แล้วนะครับพบ ก, กับรายการได้ใหม่วันจันถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา7นิถึง8นิกาและค่าเกียนตั้งแต่เวลา17นิกาถึง18นิกาครับสำหรับวันนี้คงต้องนำรายการจากกลาคุณผู้ฟังไปแล้วพบ ก, กันใหม่วันจันครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ